วันที่วันมาฆะวันที่เท่าไหร่นะที่สิเ็ดวันนี้วันที่เจ็ดแปดเก้าสิบสบเอดวันที่สิบเอ็ดนี่วันมาฆะมาฆะวันที่สิบเอ็ดนี้ใช่ไหมวันมาฆะ ภาวนาเดชภาสวดภานั่งภาวนาหมดคืนอืมไหวไหมวันมาค้าวันที่สิบเอ็อยู่หมดคืนนั่งภาวนาสวด เตรียมหนังสือัที่เคยสวดเน่เตรียมไว้เวียนเทียนเวียนวันเวียนเทียนเราอาจจะเวียนเทียนหรือไม่เวียนเทียนแต่ว่าเราจะพาอยู่ภาวนาภาวนาหมดคืนภาวนาไปจนนู่น ใสว่างทั้งพาทำวัดสวดมนต์แล้วก็เลิกกันใครไม่เคยอดก็ไปหัดอดนะสามสีมือเนี่ยไปหัดอดใครอดไม่ได้ก็ต้องไปทรมานผ่อนอาหารผ่อนอาหารอดอาหารร่างกายมันจะได้เบาไม่ต้องต่อสู้มากอยากอดนอนต้องผ่อนอาหาร อาวันนั้นเราอยู่หมดคืนอยู่หมดคืนนี่หลับไม่ได้ด้วยต้องต้องอดหลับอ้ต้องอดหลับว ด, ดนอนมีอะไร ลับอดนอนจะอดหลับอดนอนได้สะดวกต้องผ่อนอาหารผ่อาหารไม่สะดวกอดอาหารวันสองวันนี่พอดีอดเนี่ยนะวันโกนวันโกนก็อดวันพระก็อดพอดีแหละคืนนั้นก็พอดีสบายเลยอ เอาเสร็แล้วเราก็อยู่บันพลนะวันพลเอาเสร็จแล้วทั้งคืนแหละวันที่วันที่สนะี่เนี่ยลงขึ้นวันที่ห้าเราก็หกโมงกว่านูา่นนะเราเดินออกจากเจดีเน่ะวันนั้นเราก็อดเด้เราก็อดเด้ไม่ใช่เราอิ่มนะวันนั้นเราอดนะอวันไห น, น, น, นเราจะอยู่ไม่ให้มันความ อเหงาเหานอนมันทับถมเราเราก็อดอดแล้วก็ภาวนาได้สะดวกสบายอดนอนผ่อนอาหารยิ่งอ้วนด้วยอ้วนอ้วนด้วยใส่เต็มแปรไปไปนั่งยังไงเห็นลุกลี้ลุกลนลุกเข้าลุกออกอยู่นั่นแหละเ <c oughs> มื่อใ้ตั้งใจ อดตั้งใจทนตั้งใจฝ่าฝืนในไม่อดหิวหิวเท่าไรก็ใส่ไปหิวเท่าไรก็ใส่ไปหิวก็ดูเลยดูหิวเลยนะอะไรหิวถามมันดูสิอะไรหิวเห็นชาวเวทนาบีบบีบไส้บีบพุงบีบท้องบีบไส้หิวหิวหิว กลายเป็นว่าเรารู้จักพิจารณารู้จักต่อสู้อย่างนี้กลายมันกลายเป็นเรื่องดีนะกลายเป็นเรื่องดีจะไปกลัวขาดอาหารนะมันไม่ขาดดออาหารมันจะไปขาดได้อย่างไงหมอกลัวอาหารไม่ครบหมู่ขาดหมูนั้นหมูนี้ขาดวิตามินบำรุงฟ้าอ้วนพี เดี๋ยวก็ตับมาเกาะเดี๋ยวก็มาเร่งมาเกาะเดี๋ยวก็บเาหวานมาเกาะพราะไปบำรุงบำเรอมันโพษความดันไขมันในเส้นเลือดลองหัดอดบ้างมันหมดมันเอาไปใช้จนหมดเนี่ยเราไปเช็คไม่มีเลยชั้นโกโก้ชั้นช็อกโกแลต ชั้นเนยอย่างเงี้ยโอ้โหโมีแต่ยอดไขมันทั้งนั้นแหละไปเช็คดูไม่มีทำไมมันถึงไม่มีก็บอกมันเอาไปใช้จนหมด้วยเหตุที่เราเราไม่ค่อยชั้นต่อเนื่องเนี่ยมันเอาไปใช้จนหมดหวานความหวานเงี้ยแต่ละวนันแต่ละวนันชั้นแต่หวานเนี่ย ปาาก็ ว, วานอนุนกล ว, วานน้ำอ้อยงบก็คือค้อนหวานน้ำอ้อยงบ <c oughs> คือค้อนหวานมีตะวันหวานทั้งนั้นแ่ะไปเช็คดูปาหวานไม่มีมันเอาไปใช้จนหมดก็แมนน่แลลวหลวงพ่ออะไรไปไปแบกไปหาไปหามียังเนาะ ผมต้องไปแบกไปหาไปหามเนีต้องไปแบกหนักแบกเบาแบกงานแบกการเด้แหมพูดเหมือนกับหลวงพ่อเนี่ยได้เปรียบพอเราไปใช้แรงงานเราก็ใช้อย่างนั้นก็ถูกแล้วแต่ถ้าวันไหนเราจะสู้เราจะต้องอดเราจะต้องผ่อน อดอดหัดผ่อนมันบ้างร่างกายเนี่ยเรมีแต่บำรุงให้มันเยวสักหน่ อ, ย, อยที่พูดเมื่อกี้มันก็ตามมาแล้วเดี๋ยวอันนั้นก็ตามมาเดี๋ยวอันนี้ก็ตามมาแล้วเดี๋ยวแบบอดอดยากยานะดูพระพุทธเจ้าท่นทรมานขนาดไห น, นพวกกินยนอ้วนพีเต็มแปร่บางคนอ้วนยน โรครอ้วนขกาะตายไม่เห็นได้อะไรท่านไปทรมานท่านได้อัดได้ทำเอาอะไรอ่ะท่นี้ร่างกายนี่เราใช้มันพอประมาณมีแต่บำรุงบำาเริ่มมันก็ลืมลืมใจลืมนึกถึงใจไอ้ตัวนี้มันหนักแล้วมันถ่วงจิตถ่วงใจ ความหวงความกังวลความโกรธอดโดยอยากเนี่ยมันทำให้ใจเนี่ยพลอยทุกข์ไปด้วยถ้าเรามาคิดว่าเออกายก็ส่วนกายใจก็ส่วนใจมันอาศัยกันอยู่ต่ให้มันอยู่พอประมาณให้มันอยู่พอประมาณมันพอได้ยุให้มันอยู่พอประมาณพอเป็นไปอยู่ได้ไม่ไปบำรุงบาเริมมันซะจนเลยเถิด เกินธรรมชาติไปบ่มรงจนเกินเกินหลักธรรมชาติไปมีแต่มันมีแต่มันมีแต่ธรรมชาติสมุทัยมันก็ซิบก็ทราบหิวหิวหิวหิวหามาทนอดทําไมหิวหิวหิวหามาทนอดทําไมอันไหนแสบแสบม่เขาก็มียาใส่ให้แสบอ อันไหนรสชาติดีอันไหนแซ่บแซบอาหารเนี่ยแหมเขาเขามีของดีของล่อใส่ให้แซ่บใส่เข้าไปโอ้ถาดขันดูดดีแล้วเกินนอ้ดูดดีแล้วใส่ไปจนกลางอทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันอู้วนร่างกายอยู่พอประมาณอาหารใส่พอประมาณ อย่าไปกลัวทรมานดูความดูความหิวอะไรหิวดูร่างกายมันบีบบางทีนานๆเข้ามันก็ไม่บีบด้วยเหตุที่เราดูมันอยู่เรื่อยๆมันก็ไม่บีบร่างกายเราไม่ค่อยมีอาหาร ตัวโครงสร้างของมันมันก็ปรับสภาพของมันเหมือนกันนะมันปรับเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่ปรับผ่อนลงผ่อนลงผ่อนลงเรื่อยๆบ่อยๆเรื่อยๆบ่อยๆเรื่อยๆบ่อยๆร่างกายมันก็ปรับแทนที่มันจะทํางานเต็มที่ของมันมันก็ทํางานมันก็ปรับการใช้กําลังมันก็ปรับมันก็ปรับของมันเองเราหัดเราหัดมันเราฝึกมันอย่าให้มันทับเรา มันทับเราหิวหิวหิวหิ ว, หวแล้วก็จะลองมันะ ว, วันหนึ่งสี่มือ 5, ม้อห้ามื้อตอนหัวค่ำหนึ่งมือ้อก่อนจะนอนอีกหนึ่งมือ้ออยากจะนอนไม่ใช่ไปนอนไปหากินซะก่อนเป็นมื้อที่ห้าว่ะตอนเช้าอาหารว่างมื้อหนึ่งแล้วสายๆมาสองโมงสามโมงมื้อหนักสองมื้อแล้ว ก่อนเที่ยงระหว่างเที่ยงไปถึงบ่ายสองมืออีกตอนข้ามอีกสองมือหกมืออืมบางคนมีอยู่มีกินมีใช้มีสอยเหลือเฟือบางคนเขารู้จักประมาณเขาก็อดเหมือนกันนะอดได้จริงๆนี่หลวงพ่อเพิ่มเรานี่อด อดได้จริงๆนะอาหารอะไรที่เป็นมันจะอะไรสักหน่อยหรือไม่เอาเลยปลาโนปลาอะไรไม่เอานะเดี๋ยวนี้นี่หลวงพ่อเพิ่มเลยเพิ่นกลัวไปกระทบอันนั้นเพิ่นเพิ่นก็รู้จักผ่อนของเพิ่นของเพิ่นเมื่อวานก็เดินมาเนี่เลยนี่เดินมานี่มากราบบับบับบับเอามีหยังล่ะไม่มีอะไรไม่มีหยังมากราบกราบแล้วกลับหลวงพ่อเพิ่ม แปดสิบสองแปดสิบสองแต่เพื่อนพ่าตัดใบาพารสามเส้นนี้สุดร่างกายมันสุดมนันม่นก็ต้องระวังแต่ทําไมระวังถ้าระวังไม่ได้มันก็ไปเร็วกรรมใหม่กรรมเก่าเราต้องรู้เราจะประโยน์ให้กรรมเก่ากรรมเก่ากรรมใหม่ที่เราเป็นอยู่นี่แหละสําคัญที่สุดบาที่กรรมเก่าอะไรส่งมาดีทุกอย่าง กรรมใหม่เราระวังไม่ได้ชี่หายหมดระวังกายก็ไม่ได้ระวังปากก็ไม่ได้แหมมาสร้างกรรมใหม่ทะพุทธพื้ทุกกับอันนี้แหละอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเงี้ยใส่ไปเนี่ยไม่รู้จักประมาณเนี่ยกรรมใหม่กรรมเกา่ากรรมเก่ามันส่งมาดีแล้วเราอย่าไปหาโทษกรรมเกา่าโทษแล้วเราก็แก้ไขอะไรไม่ได้เรามาระวังกรรมใหม่โทษกรรมใหม่นี่แหละอันไหนผิดก็คาดโทษให้มันเลย ขาดโทษให้มันเลยผิดอีกเอาหนักผิดอีกเอาหนักผิดอีกกูจะอซะเกืวันมึงเอาอีกกูจะอดสักสองอาทิตย์ลองมาดูดิคาโทษให้มันอยู่ด้วยฝึกบุริยาท่านฝึกจนเกือบตายเกือบเป็นเกือบตายสลบสลายตัวอยู่ด้วยการฝึก พวกเราอายสะดวกสบายแล้วก็ลืมตัวเวลาเหลือเฟือลืมตัวเอาไปทิ้งอะไรกับอะไรหมดกับมนุษยเอายาแก้ไอมาไหนไอกเจี๊ยบแดงอยู่ไหนไปเอามาเก็บไปเอากระเจี๊ยบแดงมาอยู่ขั้วไม่เอาไปเก็บ ไม่เห็นเหลยมองไม่เห็นเรยฮะไม่ได้เก็บให้หมู่เห็นเรอฮะใจไหนไอเนี่ยใหบ้องหรือไอ่ะ เกี้ยบแต่ก่อนมันกินไปแล้วอยู่เลยนะไอเรื่องรังเรากินไปเนี่หายเลยนะเกี้ยบไ ป, ไปเตรียมเนาอไปฝึกเนาะ เ, เดี๋ยววันมาฆะเนี่ยอยู่ทั้งคืนเอยู่ทั้งคืนใคอยากได้บุญก็มาเอาผ่านเนี่ยอยู่ทั้งคืน อยู่ตั้งใจจริงๆวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเอาเป็นเอาตาย ใ, ใส่เข้าไปเลยไม่ให้มีเวลานอกเลยนะออกมานั่งมาคุยมาเล่นข้างนอกไม่ได้อยู่ข้างในปวดหนักปวดเบาบ่อยก็ไม่ได้เหมือนไงมันหาช่องออกมันหาทางออก หลับก็ให้มันรับอยู่ตรงนั้นแหละลองดูโคตรตายแล้วกูกูหนีแน่แน่ฮตายแล้วกูฮะตายดอ้อตายอะไรพยายามเราพยายามทำตัวเป็นปลาเป็นมันไม่ใช่ปลาตายพวกปลาตายนั่นแหละ มันยังไม่ได้ทำกระตายแล้วเราพยายามทำตัวเป็นปลาเป็นปลาตายลอยทุกป่องทุบป่องุป่องุป่อ ง, องลอยไปตามน้ำแล้วแต่มันจะพัดไปปลาตายปลาเป็นเอาหัวมันทวนน้ำเสมอปลาเป็นมันมีชีวิตมันอยู่รอดได้ พรมันอยู่ในท่าทีที่ระมัดระวังตลอดนั่นแหะปลาเป็นมันไ่เหมือนปลาตายนี่อุปมาดูให้เห็นหง่ายๆปลาตายลอยตุ๊บป้องตุ๊บป้องตุ๊บป้องปลาเป็นมันก็ลอยไปตามน้ําได้เหมือนกันมันเอาหัวไปก็ได้มันเอาหางไปก่อนก็ได้ถึงตรงไหนมันจะกระโดดก็ได้ปลาเป็นมันไปอย่างระวังอปลา ปลาตายเนี่ยสิลอยไปทุบ ป, ป่องทุบ ป, ป่องก็ไปติดกองน่ะกองเสะวะกองเศษกองอะไรอยากยื่ออะไรสะวะอยู่ในนั้นน่ะโอ้โหมีแต่ของเน่าทั้งเพราะพวกนั้นมันพวกเนา่าไปกองไว้เราดูอุปมาให้เห็นที่มาที่ชีวิตของเราเหมือนกันลอยทุบ ป, ป่องทุบ ป, ป่องทุบ ป, ป่องไม่เด้ละเอาหลักของศีลของธรรมไปฝา่าไปฝืน ฝึกฝนมาอบรมลอยไปตามเกระแสของปัณหาอาสวะมันกระซิบก็ซาบไปทำอะไรตามใจมันหมดกระซิบกระซาบไปทำอะไรทาตามใจมันหมดทำเติมอยู่เรื่อยสำเติมตัวเองอยู่ล้ำไป ที่มีแผลเก่าๆก็กไปเกาอยู่เรื่อยๆถลอกปอกเปิกเป็นแผลใหม่อยู่ลํำไปมันง่ายแค่ไหนเป็นมนุษย์ง่ายสำหรับคนทำตัวเป็นปลาตายะรอยตุ๊ป่องทุกป่องตุป่อ ง, องทำตัวเป็นปลาเป็นเพื่อที่จะขยับไปสู่ที่ดีกว่านั้น เอาเดิมไม่เอาเอาดีกว่าขยับเข้าไปให้ดีกว่าอยู่ทำไมเท่าเดิมไม่อยู่เปล่เปืียนไปเลยไปเลยไปเลยถึงไหนก็ถึงกันไปเลยบอกกัน้ะไปฟิตกันเน่ เดียววันนั้นมีแต่เรากันเนเรากับเนนนั่งอยู่ในสาราคนเดียวนะวันนั้นนะฮะกลัวหดหดหายหมดนะหดหายหมดเนี่ยจะเล่ากับเนนนี่แหละนั่งอยู่ในสระเนี่ยเนรนอนสูดดิ